ในว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตของเราพระธรรก็อยู่ที่จิตของเราพระสงก็อยู่ที่จิตของเราพระพุเตเจ้าก็คือจิตรู้ของเราพระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกสานึกจิดชอบตัวดีพระสงก็คือเจตนาตั้งใจสะรการทั่วตะเพื่อตีอยู่ตลอดเวลา ของเราเป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำลายสงด้วยกันแล้วทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าถ้าทำลายสงของเรามันยังมีพลังน้อยของลงเป็นแสงเล็กๆและก่อแสงหิงห้อยเล็กหนึ่งดังนั้นเราเชงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้แสงพุทธธรรมอ น, นั้นสว่างสวัยขึ้นในจิต โดยการบริกรรมภาวนาโดยการพิจารณาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเลื่อนตายหลใจใหลจิตของเราโดยการตามรู้อารมณ์จิตของเราโดยความมีสติสัมปทัญญาขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการทำสมาธิภาวนานี้ เพื่อเปิผลอกรมจิตให้มีพลังงานคือสมาธิความตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะมีพลังแกกล้าว่องไวต่อการรับรู้สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเราจะภาวนาทม จิตให้มีสมาธิเลิกเึ่งสัต์เทียงใดก็ตามปิดม่งหมายอยู่ที่เพื่อทำให้จิตมีความมั่นคงต่อการทำวามดีมีสติสัมปชัญญะพิจารณาให้รู้รอบข้อไม่ใช่ปฏิบัติอย่างผู้งม ง, งายมีดูกันที่ตรงนี้ ส่วนเรื่องจิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นอย่าเพิ่งไปพยายามละให้มันเสียเวลาแต่เราไาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้ จะทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้เต้นผู้เกิดการลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้เตนผู้เกิดารจิตสงบนิ่งตารางสบา้ใสสะอาดเหมือนกระจกเงาหมอจิตของท่านผู้ใดเป็นดย่งนั้น เราสามารถที่จะรู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตที่เป็นพุทธ า, านั่นมันเป็นอย่างไรเมื่อพุทธายังไม่ปรากฏเห็นชัดเราต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยไ่เมื่อจิตมีความมั่นคงมีปติมั่นคงการสว่างกระจ่างแก้งมองถึงนจริงต่างๆมันจะบังเกิดึ้นเอง ยังทำสมาธิอบรมสติสัมปัจจัญญาอยังไม่ดีพอหรือยังไม่มีพลังงานพอที่จะใช้การได้แม้ว่าเราอยากรู้จะเห็นอะไรมันก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันจะไปโล่ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไรข้อดีขันาด เกศที่ยังเมือม่อทนปูเกศทั้งหลายมันปิดบังปูวความปรารถนารามกมันปิดบังอยู่ภายในจิตแล้วมันก็เ ม, มืดเม็ดไม่เนอเรามองเห็นสิ่งใดๆตามความเป็นจริงมันก็จะไปมองเห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัทิ้งแล้วจะมาทดผเสริมสุดเป็นต้น มนนันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจา้าผ่านตลาดทิ้งหมดแล้วทีนี้เราเามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีนี่เศษไปเยะดในปราสนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้นความปาสนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียดคือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้อง มองไปที่ไหนก็เห็นจัลูเสียงตรีนเดสัมผัสธรร ม, มารมเป็นทินารักใคร่อดใจส่วนดวงกิจที่สะอาตสวางสงบเราจะมองไม่เห็นก็สิเดตเหล่านี้มันปิดบังดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยหลักการสอนของพระพุทธเ จ, เจ้า ยังมีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่ศึกษาให้เข้าใจกฎหมายกฎครองบ้านเมืองก็ยังมีแม่บทแม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูรรัฐธรรมนูนรปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นตัวบทกฎหมายศาสนาบทหลักของการปฏิบัติและคำสอนก็ต้องมีตัวบท ตัวแม่บทของศาสนาพตคืออะไรไกลโลไหมราจะนั้นต้องพญานาคยามทำความเข้าใจตัวแม่บทของศาสนาพตอยู่ที่ระรดพยธรรมมารดพยธรรมอันนั้นคือสีลห้าสีลห้าข้อนี้และเป็นแม่บท เป็นกฎเกมที่พาพุทธผั้รัหรือพระพุ ธ, าพธาศ า, าสนาก็จะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแม่บทนี้ไม่ได้อจะประกาศถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางถ้าเสียหว่าไม่ดีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นคุณธรรมและกเริ่อฐานความเป็นนษย์ให้สมบูรณ์หน่งั้งหนึงที่เรที่สองสามปเดนยังมีการด่าทันติเตียนกันแข่งโกกันแล้วก็เกิดพะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเพราะไม่มีศีลหา้า ศีลห้ามันไม่บริสุทธิ์จึงด่ากันได้ทำกันได้ีเตียนกันได้บางทีใครๆทำอะไรขึ้นมาก็ไปเดือดร้อนถึงตัวเองกินข้าวกินแล้วแล้วออกมาคนได้ยินก็ไปเดือดร้อนเขาเอออยู่ที่พอที่บากเขา มีโลเซเธอตัวเองหรือไม่มีหยุดพักถึงไปเชียร์ยกโทษไปถกีเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต้องตกเถียงกันเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติที่นี้อาตมาจึงย้ำย้ำย้ำอยู่ที่สิ่งเหล่านั้น ทำไมจึงต้องย้นอยู่ที่เศียนห้าขอก็บริวารของอาตมะยังไม่เลิกทะเลาะกันพวกนี้เศียรห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไรแลราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องยําอยู่ที่เศียนห้าใครจว่าหลวงตากดไม่มีปูมก็ตามใจ ล้วพิจารณาดูแล้วบาปการรมทั้งหลายที่เราทำลงไปนั้นไม่ ม, มีอะไรนอกเหนือไปจากการปฏิบัติผิดศีลห้าที่จะต้องไปตกนรกแต่ว่านี่พวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้สมาทานศีแลแปดก็รับทานเข้าเย็นกันอยู่ คนแก่จะเข้ากระลงแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาแัดหน้ายังแผนหยัดไผ่ทาปากเข้าไปด้วยก็ยังได้ไม่เห็นจะไปตกนรกใครจะประดับตกแปงแต่ตามเข้าเย็นไม่แต่ก้อนลำขับร้องกระโคมดนตรีดูการนั่เล่นต่างๆก็ดูได้ทำได้แต่ไม่ไม่มีโทษถึงต้องตกนรก หากาใครละเมิดสีลงห้าข้อใดข้อหนึ่งตกแนลบทันทีนี่คือแม่บทของศาสนาพุู่กันที่ตรงนี้ต้องพากันทําความเข้าใจให้ดีาหากว่าผูบวชในเท่าก็แต่ศาสนานี้ไม่สังวรในสีลงห้าข้อดี <c oughs> ปฏิบัติสี่งห้าข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริพู์ดี แม้ว่าเราจะตั้งใจเราก็ปฏิบัติสิ้นสิบสองร้อยที่สิบเ็ดอสบแดมันก็ผันเพราะตัวแม่บทที่เป็นเพื่อนฐานมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราก็ไดเจ้าสอนว่าให้เราละบาปละบาปละอย่างไรขอละที่เสีนผานั่นเด ق. อะไรไม่ทำกิจเสียนข้ากขอใดข้อหนึ่งได้ชื่อว่าลกบาปได้เด็ผดผาดเมื่อไดมาละบาปได้โดยเด็ดผาดแล้วผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่มีซิเมื่อวานี่พกหัวปลาต้นยำรับทานอยู่แต่วันนี้จุกแล้วแล้วประโยชน์ต่อไปจนกระทั่งส่วงชีวิต มันก็มีอยู่เพียงแค่นั้นแหละเพียงแค่ทุบหัวกลาเพราะเราไม่ได้ทุบมันอีกนี่ปูดง่ายง่ายฟังให้มันเข้าใจเราก็เอาไปพิจารณาตัวตราสีนของตวัวเองว่าเราบริสุทบริบูรณ์ดีไหมพอ ป, ปฏิบัติได้ก็แขนเป็นแขนการของกันตัดผลต้นของบาปไม่เห็นมากเพินมีเท่าไหร่ก็อยู่เพียงแค่นั้น จะแน่นอนจากจะเป็นปานตาัดคอนผลเพิ่มของบาปแล้วยังเป็นอุบายบัณฑคอนพลังของกิเลสให้ลดน้อยลงหรือหมดไปปฏิบัติอย่างไรเราท่านมเมตโตษัทต้นถึงสิ้นข้อพานาปฏิบาติสมุสาวาสเราเก็เกย่าไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ดีเราก็ยุดทันที หาจิตใจมันโลกมันจะได้โนมด่าไส้หนี้อาเป็นทางที่ได้โดยพอดทำล้วให้มันโลกไปอยาไดอะไรสะแสวงหาเอาด้วยลำแข้นแ้วให้มันถูกต้องตามศีลและตามกฎหมายแต่ว่าด่าให้มันเจิดเสียงข้ออินนาทานแต่หนุเจ้าสาวทั้งหลายเกิดรับเกิดข้อกันเราไปรับเรา รวมเกินจิตใจของพ่อข อ, ของแม่ผู้ปกครองงดเว้นกันที่ตรงนี้ใครนึกอยากจะโกหกห่อกลอมก็นึกถึงทีนพ่อมูสาว่าใครมัวเมาในการเล่นหวยบัดหวยเบอร์เล่นการพ น, นันสุรายาเมาตอนึกถึงทีนพ่อสุรางดเว้นทันทีต่างใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามก็จะยุดฉัจะงดฉัจะเว้น มันเป็นลูกเิ็ของพระพุทธเจ้าแล้วนี้ต้องทำใจให้มันแนวแน่วว่าเราจะละบาปตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเราละไม่ได้เวนไม่ได้เราจะเป็นลูกเิ็ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่เวลาแตกฎเกณฑ์ของการละความทั่วหรือละความบาป ม, มันอยู่กันที่ตรงนี้ละบาปใจตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าแล้วหายห่วง ไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกต่อมีเต็นทว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็ตัดกรรมตัดเวรการตัดเวรก็คือว่ายุติการทำกรรมยุติการทำกรรมที่ชั่วที่จะทำให้เกิดเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรตึ่งกันเลยกันมันก็หมดเท่านั้น ว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรที่จะให้ผลลายประยุทธ์มันพันทีไมต้องไปหาพระที่ไหนมาเจ็บมาเป่าให้หมดกรรมหมดเวรมันไม่มีทางหรอกการตัดกรรมตัดเวรก็คือการหยุดทาบาปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้นี่นาทีนี้อันนี้เป็นการตัดกรรมตัดเวรเพราะอนั้นหลักของการตัดกรกดกรมตัดเวรมันอยู่ที่ตรงนี้ พเราตัดตัด ต, ดตัดเว้นได้เจ็ดาดว่าจิตของเราเนี่ยมันสงบไปแล้วห้าสิบเปอเซ็นต์แล้วนายโยมนะมันสงบจากไรเพราะมันไม่มีความหวาดระแวงว่าคนโน้นเขาจะมาทำร้ายคนนี้เขาจะมาทำร้ายโู้ที่มีเศษบริสุทอตาดีนี่ย เป็นผู้ยอมเสียสลาดชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่นชีวิตเลือดเมื่อในกายของเราตลาดเลี้ยงหมดแล้วแม้จะเข้าไปในปา่าเสือมันก็ไม่กินเพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้วมันจะกินแต่ของที่เขาหวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักปฏิบัติ ทำความเข้าใจในแม่บทของศีลหรือระเกีย์ที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างแคร่งขัดแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่างๆที่เราต้องตัวหลายต้นนี้ทา น, นานมาแล้ว <c oughs> ให้จิตมันมีความมั่นคง ที่สำหรับพิธีการทำสมาธิในวันนี้แต่ขอแน่แน่เอาไว้สองที่สี่วิธีหนึ่งท่อบริกรรมภาวนาผู้โอผู้โอผู้โอพู้ขอเอาไว้ควบลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เดินแดนนั่งนอนรับทานนมทำผู้เก็บท่องพู้โตพู้โตผู้โตพู้โตผู้โตได้ตลอดเวลา เวลาเราพูดมีสติเวลาเราคิดมีสติเมื่อเราค้องพุทโตแล้วมันเป็นอบายธรรมจิตให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีพลังของสมาธิบางส่วเกิดขึ้นจิตมีความเข้มแข็งสติข้องไวรู้ทันตาลต่อไปเราอาจจะไม่ค้องพุทธโก้กําหนดกตามรู้ยดินเดินนั่งนอนรับการเดินทำพูดคิดทุกขณะาจิตทุกลมหายใจ จนกระทั่มันเป็นเองโดยอัตโนมัตทิทีนี้ประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาทำํำสติกำหนดตามพฤติการยืนเดินนั่งนอนรับทานห น, นึ่งทําพูดคิดเป็นบวิธีเปิดหาจิตของเราให้มีความสํารวมเมื่อเรามีสติโลดอยู่กับสิ่งเหล่านี้จัตุตาสังมารุตาทุเราก็ได้สำรวมตาตาทุตโสเทนะสังมารเรา เราได้สำรวมหูตาเนน่าสังวร l สทโธเราก็ได้สำรวมจมูกเขียวหายะสังวรสทโธเราได้สำรวมลินตาเนสังวรสเราได้สำวมนาาสังวรสเราได้สำวิ สํารดมนั้นคือเจตนาตั้งใจคอยละแวกระวังเป็นนโยบายให้เกิดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์จิงรู้สติมีสิ่งลเล็กย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมาทําให้ศีลบริสุทธิ์สะอาดเพราะเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ เห็นโน้มสติโอได้นเสียงมีสติจะโน้เป็นมีสติเล่นได้ลบมีติโดยจะต้องเล่นได้อาหาที่มีรสูปลให้าูาไห่สาคัญมันอร่อยก็กินให้มันมากมาถ้ามันไม่อร่อยก็กินแต่น้อยๆจะไปเกลี้ย้อกน้อยใจระยั บ, บนเาแแค่นี้ กายโต้องสัมผัสก็อนี้สติใจไม่คิดก่อนี้สตีเอาสติตัวเดียวไปกกําบังพรามัจจวังอยู่แล้วเมื่อเรามีสติสองวันนั่ังอยู่กับตัดสินเหล่านี้มันก็เป็นอุบายวิธีให้กายวาจาในใจของเราเป็นปกติกายกปกติไม่ข้าไม่รับ รรมไม่ขโมยไม่กระตุกขีต่อาตาเมสมิถ้าการไม่ดูหน้าเมาว่วาใจของเราไม่โูดกดไม่พูดคอเสียไม่พูดทั้งดาไม่โูดใจอ่อ็คเลเ้็วไหลใจของเราไม่เพ่งเลงง็งในสมบัติของคนอื่นไม่อยากได้สมบัติของคนอื่นไม่พยายาทอาฆาตเกียดแท้นใครมีใจมีความเห็น พอเกี่ยวกับธรมาที่ดีเห็นว่ามีบุญบาปมีบุญมีสุดมีพชกมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์มีสมาธิมีสติปัญญาได้ความรู้แจ้งเชิงจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกขโมัยนิโนรธนัก ในเจตเมฆพลังงานเมฆนั่นมันจะโลภของมันเองไปหมดนั่นแหละแต่นี่เราปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่ได้แต่เราอยากจะคล้วมากๆโลมาฝาก็ค่ได้แต่คุยกลายเป็นคนตาบอดคุยสูงดังนั้นเราจะหัดเป็นคนตาบอดคุยสูงนักปฏิบัติทั้งหลายโดยสวนใหญ่ีแต่คนตาบอดคุยสูง โทฏิทำตัวเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐ า, านแต่เราปฏิบัติสมาธิสมาธิยังไม่เกิดเดจ็บยังไม่เป็นสมาธินี่เราไปคุยไม่ได้หรอกพอเกินคุยก็มีแต่เรื่องโกหกมนุษย์ในโลกนี้ใครหนาะจะโกหกไปแน่เรียนเกินพระผ้ า, าสีดำดำไม่มี ก็จะนั้นให้ระ ว, วังครูบาอาจารย์ของเราทยายานักย้ำหนาว่าเอาสมาธิให้มันได้เอาสมาธิให้มันได้ในการทำสมาธิทำอย่างนี้เ้อะเอาไปลองทำลองดูถ้าใครไม่เชื่อก็รับฟังไว้แล้วก็ทำไว้ลองดู วันนี้ก็มีไักที่คหนึ่งไปถามว่าทาไมจิตใจมันมีแต่ความปุ้งปั่นมันไม่สงอบสักทีว่นานนั้นสงสัยจะไปโดนใคโกห ก, กมาหรือมั้งบัจจิตมันปุ้งปั่นมั่นเป็นทางนี้คนเสินอบรมสมาธิเสินในหมายตั้งเสินที่บริสุทธิ์อย่างตั้งเสินข้า กายวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทงเมื่อมานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันทำให้เกิดปัญญายะได้คำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี้มันไปรู้พัะไตรปิฎกจบทั้ง แปดหมื่นสี่พันค่าธรรมทานอย่างนั้นหรือเปล่าจะไปค่อยใจคิดกันมั้ยปัญญาที่มันเกิดขึ้นกองเือความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเองแต่เป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุดเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมา เพราะที่เราไปเข้าใจเจ็บว่าความคิดนั้นคือความสุงตารแล้วเราก็อยากจะให้เจิบมันหยุดคิดถ้าเราติดความสงบติดความนิ่งของจิตแต่แค่ติดคำบริกรรมภาวนาโคโถโคโถโคโถโคโถโคโถติดท่ทองเขาไว้นั่นน่ะมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละ เห็นไมว่าภาวนาพุโทโธพุทโธหัดคิดพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธจำต้องตัวจํานี้ทานานแล้วสมาธิมันเกิดเต้พอสมาธิมันเกิดขึ้นมาเล็กหน่อยมันก็ทิ้งพุทโธที่มันตั้งใจคิดอยู่นั่นแล้วไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาความคิดอย่างอื่นนั่นก็เปอความคิดเหมือนกันกับพุโทโธนั่นแหละ เพราะฉะนั้นมเมื่อเจตมีความคิดเกิดขึ้นมาเองปล่อยให้มันคิดไปเลยปล่อยให้มันคิดไปแล้วเอาอย่างนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอาเอาเอาเอาใจจะคิดไปส่วนไหนฉันจะต่างใจดูแก๊กคิดไปเหนื้อไใตัดคิดไปนรกคิดไปสวรรค์ เคลไปบ้านเคลไปห้องเคลียดไปเกี่ยวหาเกี่ยวแต่เกี่ยวสาวเคลียดไปรั่งไปขา ม, มยไปขี่ไปพองตามมันไปตามมันไปลู่มันไปมันจะไปถึงไหนะแต่ถ้าเราการเคลียดนั้นเป็นอารณามณ์จิตก็ลดสติตามลู่ลู่ลู่ลู ล, ล, ล, ลมันไปเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้น ผลมันจะเกิดขึ้นเป็นสองอย่างถ้าสติตามพันความคิดผู้ขณะจิตจิตทีดไปดูไปคิดไปดูไปคิดไปดูไปตัวคิดไม่หยุดนั่นเป็นตัววิตกสติโลภร้อในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิการจิตคิดไม่หยุดเราก็หนดตมันเลืยไป แต่เดียวสิสมันก็บังเกิดขึ้นคิดไปดูไปคิดไปดูไปตายก็เบาจิตก็เบานักหนักเท่าตายก็สงบจิตก็สงบมันสงบจากองไรมันคิดดูไม่หยุมันสะบกอย่างไรเอาความคิดไหนมาพู๊มันคิดดูมันสงบ ส ต, ต, ติตัวรู้สติตัวรู้มันเป็นปกติไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในความคิดนั้นเิียรแล้วปล่อยวางไปเราอารมณ์ปับจัยมันโดดจนสมชาพส ต, ติที่ไคกำหนดรู้อยู่ที่ความคิดที่กระดับตัวสุงอย่างแน่วแน่มั่นคง โลทันอกนาจิตเขาเรียกว่าอะไรเจตานุปัฏนาสติปัฏฐานไม่ใช่หรือโอ้ภาวนามาจนจินตใจง้อง้อไม่เขา้าใจความเิดที่มันคิดโยไม่โยติแต่ตั้งอยู่ที่ความคิดำกำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไปนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมานุปัฏนานสติปัฏฐาน ปฏิบัตทั้งหลายโง่มานานแล้วเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ดีท่นานอาจารย์เสาทาส่านปูกเป็นปฏิเสอนใจไว้ว่าโอ้เมื่อก่อนนี่จิต่าพมันสงบสว่างสว้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความคิดมันไม่สง บ, บสักทีนี่อาจารย์ใหญ่เําดีำพิยไว้อย่างนี้ทําไมลูกศิษย์ไม่จดจำคำสอนของอาจารย์เออเราขนาด เรามาสอนสมาทานอยู่นี่เกือบที่สิบปีโวยที่เจตเีแล้วมันจึงหาคนเอาดุเอาดูไม่ได้เพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์อาจารย์ใหท่ฉัว่าเวลานี้จิตภาไม่สงบมีแต่ความเพียรเพราะฐานฐานว่าจิตมันเสือมหรืออย่างไรเอา้เอามันเอาแต่นึ่งสงบอย่ารเดียวมันก็ไม่กล่าวหนาสิฐานว่าอย่างนี้ อราะฉะนั้นเราเป็นลูกเจ็บของครูบาอาจารย์สันเจ็ตัวให้ดีถ่าขณะได้เจ็บตัวเรามีการคิด ป, ปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติกำหนดตามตัวไปแต่กำหนดตามตูวไปแล้วถ้ามันนิ่งว่างก็ ป, ปล่อยให้มันว่างก็ ป, ปล่อย